เสียงห้ารึกนั้นตอบมาเบาๆเว้นไปครู่ก็บอกต่อมาอย่างเร็งเรว่าบางทีพวกมันหากินกันอยู่เพลินเพลินกิ่งไม้ใหญ่หักโค่นลงมากลางฝูงมันก็ตกใจออกแล่นเตลิดทั้งฝูงได้เหมือนกันคำพูดของแง่สายทำให้คณะนายจ้างหมดข้อปัญหาขบคิดเหตุการณ์ผ่านไปอย่างปกติราบคาบจนกระทั่งทุกคนเข้านอนและอันเนื่องมาจากเมื่อคืนที่แล้วต่างไม่ค่อยมีเวลาได้หลับนอนกันได้เต็มตานัก เพราะเรื่องเสยหายออกไปจากแคมป์มาคืนนี้จึงเข้านอนกันแต่หัวค่มและหลับไปโดยเร็วมันเป็นคืนที่อากาศอบอุ่นสบายผิดไปกว่าทุกคืนที่ผ่านมาฟ้าโปร่งพราวระยับไปด้วยดวงดาวลมพัดจากเหนือมาทางด้านใต้เป็นระรอกสม่ำเสมอระพินหลับไปตั้งแต่สองทุ่มเพราะฉะนั้นจึงตื่นขึ้นในราวเที่ยงคืนเล็กน้อยเดินตรวจไปรอบๆ บ, บริเวณ เมื่อเห็นว่าปกติเรียบร้อยดีก็กลับมาที่เดิมตั้งใจจะล้มตัวลงหลับต่อแต่แล้วก็เอ็นหลังไม่ลงด้วยความรู้สึกบางชนิดที่เกิดจากสัญชาติยานเคยชินควายที่ร่ามไว้รอบบริเวณแคมป์ส่งเสียงร้องกันอยู่เป็นระยะสะบัดสายเชือกรังจมูกฟืดฟาดมีอาการกระสับกระส่ายผิดไปเขาใช้ฝีฉายส่องกลาดไปรอบด้านครั้งแรกนึกว่าเสือกลายเข้ามาใกล้ แต่บริเวณรอบด้านเป็นแนวโปร่งโล่งมีโคนไม้ใหญ่และพุ่มไม้โปร่งอยู่ปรปลายเป็นระยะลำไฟที่กาดออกไปไม่พบวี่แววใดของไอ้รายแม้แต่น้อยไม่มีแม้แต่กลิ่นแต่ทว่าควายทั้งสิบตัวก็ยังคงมีอาการตื่นเต้นกระสับกระส่ายส่งเสียงร้องเบาๆอยู่เช่นนั้นขณะนั้นมันเป็นยามของบุญคำพรานเท่าผู้ซึ่งอาวุโสกว่าทุกคนในคณะ และได้รับการไว้วางใจจากเขาเหนือกว่าทุกคนบัตรนี้นั่งเงียดูดูดบรีใบจากแดง ว, าวา่าว่าแกกำลังมองนิ่งมาที่เขาเช่นกันพอศบตาก็ค่อยลุกขึ้นคว้าปืนกับไฟฉายเดินย่องมาสุดตัวลงใกล้ๆผมฟังอยู่สักสิบนาทีได้แล้วนายจะว่าเสือก็ไม่เชิงระพินเอ็นหลังพิงล้อเกวียนหันหน้าออกไปยังริมไหลผ่ผาด้านที่ตัดลงไปสู่ทุ่งกว้างเบื้องล่าง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 คณะนายจ้างชุมนุมหน้าตื่นกันอยู่แล้วเพราะไม่สามารถเดาเหตุการณ์ใดได้ถูกแต่ก็ตัะหนักได้ว่ามันจะต้องขับขันร้ายแรงขีดสุดจนถึงกับต้องสระแคมร่าถอยกันเข้าหาที่กำบังอย่างปัจจุบันทันด่วนกลางดึกไม่ผิดอะไรกับเมื่อคราวกองทัพไม่แหวงบุกสิ่งที่ทุกคนถือติดมือมาไดในขณะนี้มีเพียงปืนกับไฟฉายระจาตัวเท่านั้นพรานใหญ่นับจานวนคนในคณะทั้งหมด เห็นครบท้วนดีแล้วก็เดินอย่างรีบร้อนตรงมาที่นายจ้างด้วยอาการกระหืดกระหอบเขาเป็นคนสุดท้ายที่เข้ามาถึงแนวกำบังของโขดหินชิดหน้าผาอันยึดเป็นที่มั่นนี้ยังไม่ทันจะอ้าปากดารินก็ถามมาโดยเร็วว่าเกิดกะลียุกอะไรขึ้นช้างบุกอีกกมังไม่ใช่ช้างมันจะเป็นอะไรผมก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันแต่ท่าทางไม่เข้าทีแน่ยาเอะไปครับฟังเสียงนั่น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 กำลังตายผาข้างหน้าเราหนีขึ้นมาจากทุ่งหญ้าข้างล่างเชษดฐากริซิบตาสว่างวาวค่อยๆส่งกระสุนขึ้นลำกล้องไรเฟิลจุด4 5หที่ถืออยู่ในมือขยับตัวคลานเข้าไปหาตำแหน่งที่นั่งยันกายในท่าอันถนัดที่สุดพาดปากกระบอกลงกับแง่หินที่กระบังอยู่เตรียมพร้อมที่จะรับมือทั้งๆ ท, ท, ที่เขายังพิการอยู่ดารินกับชายยันก็ถลานเข้าไปซุดคุกเขา่า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 สะบัดเชือกสนตะไายเต้นอยู่ไปมาพร้อมกับส่งเสียงร้องไม่ขาดระยะชา ย, ยันขยับจะฉายไฟกราดดูแต่เชษฐาตะครุบข้อมือไว้กัะซิบห้ามอย่าเพิ่งเอาให้แน่ใจที่สุดเสียก่อนส่องแล้วไม่เห็นก็ไม่มีประโยชน์รอให้รพินส่องแล้วค่อยยิงดีกว่าสหายของเขาเห็นจริงด้วยวางไปฉายลงประทับปืนขึ้นแนบไหลเตรียมพร้อมพรานใหญ่ยืนพิงคล่อมอยู่กับก้อนหินระดับเตี้ยขนาดอกของเขาก้อนหนึ่ง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 บังเกิดปรากฏการประหลาดขึ้นพอจะสังเกตเห็นได้แม้ว่าจะอยู่ในความมืดสลัวเพราะไม่มีไม้ใหญ่อื่นๆบงังโดยอาศัยแสงสะท้อนจากกองไฟใหญ่ที่เกาอไว้กลางลานและท้องฟ้าอันพราาไปด้วยดวงดาวมันไหวสถานโยคลอนไปมาเล็กน้อยพร้อมกับลั่นเอียดราวกับมีมือมหายักษ์มาเหนียวโค่นต้นก้อหินถล่มร่วงกรูลงไปยังพื้นเบื้องล่างอีกจานวนหนึ่งครั้นแล้ว การเคลื่อนไหวนั้นก็หยุดเหมือนจะออมเสียงไม่ต้องการให้แววขึ้นมาอย่างฝ่ายมนุษย์ที่อยู่ในแคมป์อีกภาคใหญ่ต่อมาต้นยางก็โยกสถานขึ้นเบาๆอีกและพผินค่อยๆสูดลรรมหายใจเข้าเต็มปอดหยิบไฟฉายขึ้นจับควบ ก, กับกระโจมมือไรเฟิล น, นิ้วมือข้างหนึ่งของเขาเตรียมพร้อมที่จะกดสวิตไฟให้พุ่งออกไปส่วนอีกข้างหนึ่งแตะรออยู่ที่ไกปืนดารินเป็นคนสุดท้ายในคณะที่ปลดห้ามกายจุดสี่ 70ดับเบิลไลเฟิร์นของหล่อนออกผ่านท้ายตะวัดขึ้นแน่ปลแต่ละวินาทีที่กระดิกผ่านไปในยามนี้มันหานแสนนานในความรู้สึกของทุกคนประสาทเขมง็งเกลียวเครียดแทบจะขาดสะบันไปลมโชยจากปลายหน้าผาวูบหนึ่งกลิ่นชนิดนี้ลอยมาสัมผัสคานุ ป, ปรสาทของทุกคนเป็นกลิ่นเหม็นเขียวหืนๆ อ, อย่างไม่ไรบอกไม่ถูกแม้แต่พรานใหญ่ขนาดระพิน บุญคำหรือจอมกะเหลียงแง่สายก็ไม่อาจบอกกับตนเองได้ว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรบัตรนั้นทุกคนสะดุ้งขึ้นสุดตัวด้วยความตกใจมีเสียงดังคลืนสนานเหมือนสุงขนาดใหญ่ฟาดลงมาบนพุ่มไม้ตรงหน้าห่างออกไปเพียงสี่สิบหลาอันเป็นตำแหน่งที่ผูกควายไว้พริบตาเดียวกันเจ้าควายเคราะ้ายตัวหนึ่งก็หายวูบเข้าไปอยู่ในเงาทมุนมหึกมาปานลาหูเกือบมิด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 ประสานกันกึกกล้องสถานไปทั้งลูกเขามีคนเดียวเท่านั้นที่ตะลึงในเหตุการณ์ตัวแข็งจนเหนียวไกลปืนไม่ออกนอกจากจ้องค้างอยู่เฉยๆผู้นั้นคือนักมานุษย์วิทยาสาวเจ้าสัตว์ประหลาดลึกลับที่อนุภาพปานไดโนเสาร์ซึ่งในขณะนี้เห็นแต่เพียงความใหญ่โตมโหฬารเป็นเงาดำมืดนั้นหมวนตรบอย่างรวดเร็วเหมือนใต้ฝุ่น พงไม้รอบด้านแหลกเป็นแปลงดังคลืนโครมสะเทือนแผ่นดินแล้วมันก็วูบผายลงไปจากเนินผาพร้อมกับควายตัวนั้นมีเสียงก้อนหินจากระดับพื้นอันเทราตของหน้าผาถล่มร่วงกรูเกลียวและกิ่งไม้หักผงผางสนั่นวั่นไหวเร็วมันนายมันเอาควายไปแล้วใครคนหนึ่งร้องออกมาสุดเสียงแล้วพินกระโจนผึงออกจากที่หลบกบาบังอยู่วิ่งเต็มฝีเท้าตรงดิ่งไปยังชายผา ชายยันและใครต่อใครอีกหลายคนก็เพ่นตามเขาไปติดติดยกเว้นดารินกับแง่ทรายเพียงสองคนซึ่งคงอยู่กับที่ขนาบข้างเชิดถาไว้พรานใหญ่เล่นมาถึงชายผายยางหัวสุนแทบจะหลุดร่วงลงไปตามทางอันเทราดนั้นดีแต่ประทะต้นไม้ต้นหนึ่งไว้ได้กราดไฟส่งตามลงไปครั้นแล้วพวกที่กวดติดตามหลังเขามาก็มาถึงในเวลาไร้เลี่ยไฟฉายหลายก็บอกช่วยกันกราดจ้าลงไปงู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 เห็นแต่ท่อนหางที่กําลังลากปัดอยู่ไปมามันกําลังเลื้อยเคลื่อนไปด้วยความเร็วปานรถไฟด่วนชัยยันสติดีพอๆกับเขาจุดหก0ูนในโตรในมือแผดตึกกล้องขึ้นพร้อมกับเสียงร้องโวยวายของพวกลูกหาบระพินก็กระหน่าไรเฟิลของเขาลงไปอย่างเร็วที่สุดชนิดที่แข่งกับการเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วนั้นเขากับชัยยันยิงลงไปยังส่วนที่พอจะมองเห็นอยู่นั้นและทุกคนก็ช่วยกระดมศาสตร์กระสุนลงไปอีกขนาดใหญ่ ปลายสุดกับท้อนหางอันมีขนาดเท่าต้นตาลแกวงสะบททัดพรวดพราดถึงเจ็บปวดชั่วพริบตาเดียวมันก็หายไปจากการจับตาของลำไฟฉายเชษฐถาเเยกตามเข้ามาถึงบริเวณนั้นด้วยโดยไงายสายและดาดินช่วยกันประคองก็มีโอกาสได้เห็นเพียงปลายของยอดหญ้าสูงในทุ่งอันกว้างใหญ่เบื้องล่างลู่ละเนนเป็นแนวไปราวกับมีรถแท็กเตอร์ไถยอยู่เบื้องล่างทิศทางไปของมันมุ่งไปสู่ดงทึบด้านขวามือ อันเป็นป่าใหญ่เชิงเขาอีกรูปหนึ่งด้วยอัตราความเร็วไม่ต่ำกว่า20ไมล์ต่อชั่วโมงและในที่สุดแนวไหวของยอดหญ้าเหล่านั้นก็รับหายพ้นระยะเกินกว่าที่ไฟฉายจะส่องตามสังเกตไปได้ควายหลายตัวยังดิ้นสบัดเชื่อร้องกล้องอยู่เช่นนั้นและอีกหลายตัวดึงจนเชื่อขาดวิ่งตเตลิดหายไปในความมืดบัดนี้ไม่มีใครพูดคาใดออกมาได้ แต่ละคนหน้าซีดเผือดปาสจากสีเลือดได้แต่ยืนนิ่งเหมือนถูกสาบให้เป็นหินมองตากันเองอยู่เช่นนั้นด้วยความรู้สึกที่บรรยายออกมาไม่ได้นี่เราฝันไปหรือเปล่าในที่สุดเชษฐาก็กระซิบออกมาแหบๆแล้วพินณยังพูดไม่ออกในขณะนั้นได้แต่กรอกหน้าชายยันครางอะไรอยู่ในลำคอฟังไม่ได้ศัพท์ยกมือขึ้นแตะหน้าผากกลางสวงอกไหล่ขวาและไหล่ซ้าย เหมือนจะสวดวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วซุดตัวหัวบลงไปนั่งกองกอดปืนอยู่กับหินก้อนหนึ่งท่าทางเหมือนหมดเปลี่ยวแรงร้องออกมาเบาๆหยิกเนื้อยังเจ็บอยู่นี่เห็นจะไม่ใช่ฝันไปแน่เจ้าปะคุณเอ้ยดารินก็ไม่สามารถจะกล่าวคำใดออกมาได้ในขณะนั้นหล่อนตกใจจนแทบช็อกมันอะไรกันแน่รพิน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 ชายยันหัวร้อแค่นแค่นห่อไหลลงอย่าว่าแต่ตัวเดียวที่มันคาบไปแล้วนั่นเลยต่อให้สิบห้าตัวรวมทั้งพวกเราทั้งหมดนี่แหละจะต้องเข้าไปอยู่ในท้องมันได้อย่างสบายในเวลาเดียวกันถ้านอนให้มันเขมือรักษณะที่มันค่าควายตัวนั้นไปเหมือนงูกินหนูค่าลูกตัวแดงๆนั่นแหละขอบคุณสวรรค์สิเถอะที่พวกเรารู้ตัวกันซิก่อนถ้าไม่งั้นก็คงเสร็จหมดทุกคนคืนนี้พวกเรายิงกันหลายนะัดถูกไปบ้างหรือเปล่า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 แบบนี้มันก็ขมือบช้างได้อย่างสบายลำตัวขนาดเบาๆก็ขนาดต้นลังห้าคนโอบยาวไม่ต่ำกว่าร้อยหลาแล้วนี่เราจะทำยังไงกันหัวหน้าคณะคลางออกมาเห็นจะต้องค่อยๆ ค, ค, คิดเสียแล้วล่ะครับสำหรับไอ้งูยักษ์ตัวนี้แต่คืนนี้ผมเชื่อว่ามันคงจะไม่ย้อนกลับมาเล่นงานเราอีกเพราะได้ควายไปตัวหนึ่งแล้วอีกอย่างก็เจ็บไปบ้างเหมือนกัน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 ถ้ามันอยู่ไปนานๆมันก็น่าจะโตขึ้นได้เรื่อยๆโดยไม่มีขีดจำกัดทั้งนั้นไอตัวนี้ก็จะเห็นจะเป็นงูโบราณยุคดึกกำบันอายุเป็นพันๆปีขึ้นไปทีเดียวดาลินร้องออกมาต่างนิ่งงันกันไปอีกเช่อถาวค่อยๆเหลียวไปทางแง่ทรายผู้ยืนสงบนิ่งเบิกตาโพรงอยู่หน้าประตูเต็นแล้วหันกลับมาอย่างคณะแผ่วเสียงลงมันทาให้ผมนึกไปถึงคาพูดของแง่ทรายเสียแล้วละ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 ชายยันกล่าวมาโดยเร็วดื่มบรันดีอีกเหมือนจะให้ช่วยเข้าไปปลุกปลอบขวัญในขณะนี้มีหน่าล่ะควายป่าทั้งฝูงวิ่งกันกระเจิงให้เราเห็นเมื่อเย็นนี้คงจะเป็นเพราะได้กลิ่นไอยักษ์ไม่มีตีนตัวนี้เองตอนนั้นมันคงจะซุ่มอยู่ในดงลิมตีนเขาใกล้นี่จอมพลานมองไปยังหัวหน้าคณะอย่างของการตัดสินใจถามเสียงแห้งๆว่าคุณชายจะเอาอยัางไงครับเกี่ยวกับไอหูยักษ์ตัวนี้ คณะนายจ้างหันไปหารือกันเองอย่างเคร่งเครียดครูหนึ่งเชืถาก็หันมาทางเขาเสียควายไปตัวหนึ่งนับว่าโชคดีที่สุดแล้วสำหรับพวกเราทุกคนตามความเห็นของคุณคิดว่ามันจะโจมตีเราอีกไหมแล้วผินฝืนยิม้มผมไม่กล้าที่จะรับรองเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณชายมันอาจจะผ่านเข้าดงลึกไปเลยโดยไม่หวนมายุ่งมากับเราอีก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 อย่างมากมันก็มีเพียงแค่ความใหญ่โตเท่านั้นเล่เหลี่ยมไหวพริบเทียบกับไอแหวงไม่ได้ผมไม่รู้สึกหนักใจอะไรนักมีทางที่เราจะตามล่ามันได้ไหมชายันอย่างหาเสียงถ้าตามก็ตามง่ายกว่าแหว่งไอแหว่งสักสิบเท่าครับเพราะมันไปไหนรอยก็ปรากฏชัดแจ้งอย่างนั้นแต่ถ้าประจันหน้ากันก็คงฆ่ามันได้ยากกว่าไอแหวงเพราะอย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อตะกี้นี้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 ทุกคนเพิ่มจะสะดุ้งคิดขึ้นมาได้ตามคำพูดของหญิงสาวชายันตาเหลือกเอ่อยมาอย่างรุกรนว่าเออจริงสิหมู่บ้านหล่มช้างจะต้องเป็นอาหารจานใหญ่ของมันทีเดียวและสมีมันใกล้กันแค่นี้เองกับที่มันเข้าโจมตีเราคืนนี้หรือว่ายังไงแล้วพินพลานใหญ่กัดริมฝีปากพูดเหมือนกระซิบก็น่าคิดอยู่ทีเดียวครับพรุ่งนี้ไปถึงหลมช้างก็รู้เองเชษฐาสรุปด้วยเสียงเฮาเๆ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 เหตุการณ์ราบคาบปกติไม่มีอะไรแพ่วผ่านเข้ามาอีกพอสว่างระหว่างเตรียมเก็บข้าวของออกเดินทางพรานใหญ่ชายยานดาลินและพรานของเขาสี่คนก็ลงจากหน้าผามาสำรวจรอยของงูย้างอีกครั้งยังตีนเนินและบริเวณทุ่งหญ้าที่มันเลื้อยไปร่องรอยเหล่านั้นยังปรากฏอยู่เด่นชัดโดยเฉพาะป่าใหญ่ที่มันเลื้อยผ่านไปต้นหญ้ายังเอ็ราบเป็นทางราวกับมีแท็กเตอร์มาลากทุงขนาดใหญ่ผ่านไป กระเซ็นเลือดส่วนน้อยติดอยู่ตามใบหญ้าเป็นเลือดใสาบางๆซึ่งคงจะออกมาจากบาดแผลที่ ถ, ถูกยิงตรงส่วนหางของมันไม่มีวี่แววว่าบาดแผลที่ได้รับไปจะก่อความสีดุ่งสะเทือนอะไรให้มันมากนักชายยันตวัดเส้นชายยันวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของรอยหญ้าที่ราบเป็นทางไปได้ความกว้างเกือบสี่ร้ดดารินมามีโอกาสได้เห็นชัดกับตาในเช้าวันนี้ถึงกับเข่าอ่อน รำตัวขนาดเรือเย่ยมจุนน้ำหนักทั้งหมดอย่างเบาๆก็ต้องไม่น้อยกว่า20สิบตันนี่มันพวกอสูรยุคโลกล้านปีนักมนุษยวิทยาสาวครางออกมาอย่างหมดเรี่ยวแรงและวินเงียบกริบไม่เอ่ยคำใดออกมาทั้งสิน้นยืนหลี่ตามองดูรอยเหล่านั้นซึ่งขณะนี้ทุกคนเข้ามายืนอยู่ตรงกลางได้อย่างสบายราวกับถนนผมสงสัยว่าขนาดที่ราตัวของมันทอดราบอยู่กับพื้น จากท้องขึ้นไปจรวดสันหลังคงจะสูงเลยหัวของพวกเราชา ย, ยันกระซิปมาข้างหูของเขาสีหน้าแสดงอาการหนักใจเหลือที่จะกล่าวงัดลูกปืนจุด006ขึ้นมาพลิกพิจารณาดูในมือแล้วถอนใจเฮือก